เทศนาเรื่องเรื่องภาวานาเพราะนายไปพูดถึงเรื่องจิตอันอื่นไกลก็พูดมากมาย แ, แล้วเราเทศเฉพาะรวมเข้ามาหาจิตเดียวเด้อคราวนี้ <c oughs> จิตเป็นของฟืเนขัดแยางเป็งการลำบากเลือกเกิน จิตใ น, นเมื่อฝึกหัดแต่แล้วอยู่ที่แล้วเป็นของง่ายแต่คนที่ฝึกหัดจิตอยู่แล้วกลับไม่ชอบอยากจะให้จิตอุ่นอยากจะจิ ต, ย, จจ ต, ย, จจตยุคพระองค์เทศสนาว่าจิตตัสสัตมะ ม, มโสดมตอในธมโทสาธุ จิตศาสตรได้มาโทษาทุทั น, วา น, นททวานจิตที่เทราวานฝึกฝนอบรมดีเป็นของดีมากทันวา น, นเพราะเหตุจิตเป็นของรักษาได้ยากนั่นเองเอาจารยว่าเป็นอย่างนั้น <c oughs> แต่ไหนแต่ใดมา จิตของเรารักษาไว้ไม่ได้ยุไม่อยู่ในที่เดียวแล้วก็ไม่รู้จักตัวด้วยว่าไม่อยู่วิ่งว่อนสรพรัด ท, ทุกอย่างเที่ยวอย่างนั้นโดยเข้าใจว่าจิตว่อนเป็นความสบายมุนว่อนเป็นความสบายเป็นความสุขท่นพาวิงว่อนหลาอย่างเหมือนกับคนที่เคยเที่ยว อยู่แต่บ้านนังนลำขาดเที่ยวบ้านใต้บ้านเหนือเที่ยวเมืองไกลเมืองบ้านไกลบ้านไกล น, นั่นเข้าใจอ่าความสุขการเที่ยวมันต้องคนมีเงินเงิ น, งนช่วหน่อยแต่เงินก็ต้องเราเป็นคนหาต้องใช้เงินใช้ชต่างแต่ก็เราเป็นคนหา เงินไม่ใช่มาเองหามาแล้วก็ไม่ใช่เงินไม่ใช่ใช้เมื่อไรเอาจนคนเป็นคนใช้เงินอีกเหมือนกันแต่ก็เข้าใจว่าสบายเราเป็นคนหาเราเป็นคนใช้เราเข้าใจว่าเป็นนายเงินแท้ที่จริงนั้นเราเป็นื่อค่าเงินต่างหากเราเป็นคนหา แล้วก็เป็นคนรักษาแล้วก็เป็นคนใช้เงินอีกลองคิดดูไม่ใช่เป็นคิดฆ่าไม่ไไม่ได้เป็นท่าข้องเงินนึนั่นแหละเข้าใจว่าเป็นความสุข <c oughs> จิตก็เหมือนกันมันเที่ยวเหนือเที่ยวไต้เที่ยวไปในที่ต่างๆชอบแทกไม่มีหยุดยัง้ง นั่นนะเข้าใจว่าความสุขของใจ <c oughs> ความสุขอันนั้นอนะ่ะเข้าใจว่านั้นความสุขขั้นจิตของเราฝึกฝนโอลมได้แล้วอยู่คงที่เข้ า, า, าใจว่าไม่สบายเข้าใจว่าไม่ได้ไม่ไม่ใช่ความสุขอยากจะให้วุ่นว่อน ่ค่อยไม่คงตัวความเข้าใจมันผิดไปอย่างนี้กวามเข้าใจของคนเข้าใจว่าสุขเป็นทุกข์เข้าใจว่าจิตอุ่นวอนนะเป็นสุขแต่พระองค์เทศนาว่าจิตตสาณัมโธนัมโธสาธุทันว่างั้น คนที่ฝึกหัดจิตแล้วนั้นได้ดีแล้วนะเป็นความดีอย่างยิ่ง <c oughs> คิดดูมาดูบัวดูสัตว์สารสิ่งต่างต่าอฝึกหัดได้ใช้ได้อ ย, าาได อ, อย่างมาได้ยก่อนเดี๋นี้ไม่ไม่ค่อยเห็นคนหัดมาเท่าไหร่นะ สมัยก่อนนั้นมาเทียมรถให้อยู่งันมันก็ยืนอยู่นั่นแนะตั้งสามสี่ชั่วโมงก็ยืนอยู่คงที่นถ้าบาุญสา ด, ดีแล้วถึงเจ้าของเจ้หนีไปเอาไว้กับรถนั่นแหละให้มันเทียมรถอยู่นั่นนะมันก็อยู่คงที่ไม่ต้องเาหาสักมา น, น็ได้ความสุขของเจ้าของอันหนึ่ง <c oughs> ถ้าจิตของเราอยู่คงที่แล้วเอาตั้งเลยไหนก็อยู่คงที่อย่างนั้นไม่หวั่นไหวไม่คลลิศวุ่นวายไม่ทรงใยเป็นอารมณ์ต่างๆงั้นฉันบอกว่าได้ความสุข ความสุขเป็นจริงอย่างนั้นแังคนเราเนี่ยมาเห็นความสุขในการสมบจึงต้องวุ่นวายหาสิ่งตา่างๆให้มีเครื่องเล่นเครื่องอยู่ <c oughs> เครื่องเล่นเครื่องอยู่ของจิตอะไรเครื่องเล่นเครื่องอยู่ของจิต อารมณ์มันอะสิเมื่อจิตมันสงบมันมีอารมณ์อะไรมันเงียบสนิทสนิทไม่มีอยู่เฉยๆนั่นเลยเข้าใจทำไมไ ม, ไม่ไม่มีความสุขความที่เข้าใจผิดนั่นแหละยากอยู่ ให้เข้าใจถูกต่างจริงก็แล้วกันความสุขคืออะไรปารธนาอะไรแล้วปฏิบัติเดี๋ยวนี้เราต้องการอะไรเราต้องการควมความวุ่นวายหรือต้องการความสงบสุขก็บอกแล้วว่าความสงบสุขไม่ใช่วุ่นวายใชไหมวุ่นวายสุข ตรงใส่สุขไม่ได้พูดอย่างนั้นต้องการความสงบสุขแล้วก็พูดกันชัดเจนอยู่แล้วความสงบยังไม่เกิดความสุขแต่ทําไมจริงอ่ะไปเข้าใจผิดกันอย่างนั้นความที่เข้าใจผิดนั้นเพราะเหตุที่ว่าเราไม่ยินดีไม่อิงใจพอใจกับความมีอยู่ข้งตน้น ันมีความสุขอยู่แล้วไม่พอใจในสิ่งนั้นมันยังเคยเดือดร้อนเป็นทุกข์อะไรก็ตามถอะคนมีคนรวยเท่าไรก็ตามถอะถ้ารวยไม่พอถ้ามีไม่พอก็เป็นทุกข์เหมือนกันคนมีความสุขเพราะเหตุที่อีกพอกับของของมีของของตน สันตุถีพระมังธนังพระองค์เทศนาวความยินดีตามมีตามไดเ้เรียกว่าเกว่เป็นความสุขอันหนึ่งหมายความว่าตามมีตามได้ไม่ใช่ไม่หาหามาเท่าใดได้เท่านั้นยินดีกับที่ตนได้นั้นพอใจกับที่ตนได้นั้นขันยินดีพอใจใ น, นที่ตนได้่าแล้วก็ใช้ใจ่ายเท่าที่มีอยู่เท่าที่เป็นอยู่ มันก็พอใจมันก็อิ่มใจมันก็เต็มตื้นขึ้นมาดิมันก็อิ่มมาดีคนนะได้เท่าใดไม่พอใจอยากไะไรมากๆนี่เงินไปมีมากก็เหมือนก็บคนจนมีมากก็เหมือนกับคนทุกมีมากก็เหมือนกับคนจนจนคือคือความไม่พอเป็นทุกข์คือความเดือดคือคือเดือดร้อนในใจ อยากให้มีองคมากขึ้นไปความทุกข์กับคนมจนมันต่างกันแต่การนั้นแนวเดียวกันนะ <c oughs> ันแหละถ้าหางยินดีพอใจเท่าที่มีอยู่ไม่ใช่ไม่หาเขาบอกบางคนบอกว่าสันติทีก็สมังถนังยินดีตามมีตามได้ มันก็จนนะที่คนไทยขางเราไม่ทะเยอทะยานดีนราตมันก็จดนะที่มันเข้าใจผิดกันอย่างนี้หาได้เท่าใดเราไม่ใช่ไม่หาหาเหมือนกันทาํามาค้าขายหาอยู่กินทุกสิ่งทุกส่วนหาเหมือนกันจะได้มาแล้นั้นยินดีเท่าที่มีอยู่ ไม่ใช่ไม่หาคือว่าหาอยู่แต่ได้มาแล้ได้ยินดีกับที่ได้น่ะไม่ใช่ไม่ให้หาหามาได้แล้วยิ <ale> นดีกับได้แล้วของที่นี่อยู่นั้นท่านว่าอย่างนั้นข้อหมายความว่าหาอยู่แต่ยินดีก are ับของที่มีอยู่ไม่ใช่ไม่หาเขาเข้าใจไม่หาเฉยเลยคนที่เข้าใจว่าไม่ยินดีแต่มีแต่ได้เนี่ยเข้าใจไม่หาเฉยเลย ของเข้าใจคิดเช่นนี้ยิงค่อยไม่เข้าใจในคุธรรมคุณธศาสนาของประสงค์ของศาสนากงรปรเหตในวุ่นวายเรายินดีกับอารมณ์ของเราเราไม่ใช่หราเราไม่ปฏิบัติเราไม่ใช่ในชำระศาสตร์ ทำนะซาสังแล้วมันอยู่แล้วมันวางแล้วแล้วมันถอนลงไปแล้วมันสงบแล้วให้ยินดีกับความสุขความเอเดียยินดีกับความสงบอนะันนั้นมั น, นก็เกิดสุขขึ้นมาทำแล้ยินดีกับเป็นทุกข์ก็ล้าไปทำแล้งการมีกับจนนั่นแหละมันก็บคนมีกับคนจนนั่นแหละเห็ <c oughs> นในความสุขของตนเป็นของ เพิมปของหน้าเพึ่มพิติการที่จะให้เห็นความให้เห็นความสุขความสงบอะนั้นต้องพิจารณาไม่ใช่ไปพิจารณาจะให้เกิดความสุขเฉยไม่ไม่ไมคนยินดีกับความสุขเฉยไม่ได้ต้องพิจารณาพิจารณาทึงเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้ว แต่กรดแต่กรดเยอะแต่หลายพบหลายชาติ <c oughs> มันวุ่นวายมันสงสยัยมาในพบนี้ชาตินี้ก็วุ่นวายสงสัยอย่างนั้นกังวลยึดถือนันนี่อยู่ไม่ละไม่ถอนมาขนาดนี้มันจะมบลงไป อันความสงบนั่นแหละไม่ใช่ของทำง่ายๆคนตั้งร้อยตั้งพันตั้งหมื่นตั้งแสนจะได้สะกดก็เสียยากอันนี้เราได้แล้วอันนี้เกิดปึ่งปีติมันเกิดพอใจคือคนมินดีกับของที่เรามี้อยู่ ไม่หาว่าอย่างนี้ยังจะเกิดความพอใจความอิ่มใจความอิ่มใจความพอใจเรา <c oughs> ในธรรมาที่เรามีอยู่เป็นอยู่นั้นก็ เ, เป็นของก็เป็นความสุขเหนั้นไม่มีอะไรก็เอาเบื้องต้นหนื่งตื้อ น, นี่แหละ เดี๋ยวนี้เรามีศิลเรามีมีความสงบสุขอย่างว่าชิ้นห้าิน 8, แดเราก็ละได้ในข้องดเว้นนั้นอันพวกชาวบ้านหรือพวกที่มาได้รักษาศิลมากยิ่งขงมาก 99% ที่ไม่มีชิ้นห้า อันเหลืออยู่เพียงเปอร์เซ็นเดียวเท่านั้นะอันเราอยู่เดี๋ยวนี้แหละเพียงเปอร์เซ็นเดียวทั้งเฮ้อาจจะครึ่เนะเงเปอร์เซ็นตั้ง อ, อีกก็ไดนะ้ที่รักษาศีลที่บริเวณจากความชั่วที่หวังความบริสุทธิ์เขาก็หวังเหมือนกันความบริสุทธิ์แต่เขาหวังโดยค่าะเน่ห์โดยคิดนึก ไม่ถึงว่าความสุขจะเป็นอย่างไรงนั้นมันจะสุขอย่างนั้นจะสบา ย, ยานั้นความสุขของเขาจะมีจะรวยยังมียอดจีเกียดที่ยอดชื่อเสียงโด่งดังคนนี้ยอมนับถือโน่นเลยคนนี้คิดของเขาค น, น, นพวกเราปฏิบัติ หวังเอาความสุขการที่เราละความชั่วนั่นเองค่ะไม่ได้หวังเอาความได้เอาเกยียรติยศชื่อเสียงด้วยความชนะเสถียรนั้นเราเป็นความสุขเราละความชั่วนะคิดว่าละความชั่วใดเป็นความสุขของเราใ น, นสิ้นห้าแล้วก็ละในห้าคอมันก็เย็นอิ่มองยิมใจขึ้นมา เอาตื่นตื้นเนี่ยขณะวิยาณาอย่างนี้มันก็สบายใจจิตมันก็สงบท่านพิจารณาทั้งเรื่องศีลน่ยมันทั้งสงบเองท่านเห็นของบุญสุขของตอนแล้วสงบเองรเอรียกว่าศีลานสติ <c oughs> สงบเยียดเกียรติลงไปมันก็นไม่มีอะไรแต่ผู้พิจารณาเรื่งความสุข น, นั่นอีกละเอียดลงไปพิจารณาเรงความสุข น, นั้นที่จะรักควที่จะได้ความสุขอันนี้ไม่ใช่ความง่ายๆหน้ากังวลเกี่ยวกัของโผพันสารพัดทุกอย่างตั้งแต่ทิ้นห่าไปแล้คนมากยิ่งกว่ามากในโลกอันนี้ที่มันยุ่งเหยิง เรื่องสิ่งสป่าต่างพวงใครพูดอะไรก็ลองพูดลองดูเถอะคนร้อยต่างร้อยล่ะพูดออกมาไม่ได้ว่าทุกข์ทางนั้นมีนั้นมีความสุขสักคนเดียวเ ข, ข้าหาครูบาอาจารย์เข้าหาพระเจ้าทออรงทำมุําำทานพาฒนารักษาสินเพื่อพ้นทุกข์ทางนั้น ไม่เศร้าทุกอะไรตัวอะไรจนพูดไปถูกทุกของคน <c oughs> ทุกกายทุกใจรวมแล้วทุกกายทุกใจอันที่จะสุกกายสุกใจมีกี่คนลเหยอนี่ถึงว่าอัสุกกายสุกใจนั้นมันเป็นของดีมาก ของหายยากที่สุดเอาละถึงทุกถึงสุขกายสุขใจก็ถึงมันจะได้สักกี่ม่านด้อยวันหนึ่งวันหนึ่งมันได้กี่มา่านน้อยมันมีแต่ดินน้นรนกระเสือกกระสนเลยหาของทุกข์นั้น ความเขียวของนู่นเหนียแรงต่างสะพทุกอย่างคงยึดคงถือและเดือดร้อนวนวดวายนี่จริงว่าการทำภาวนาต้องกล่าวถึงเรื่องจิตจิตตัวนีว้เท่านั้นไม่ต้องพูดอื่นไกลเมื่อถึงจิตแล้วมันก็เข้ารวมถึงสมาธิภาวนา เมื่อถึงจิตก็เห็นจิตที่มันยุงน่ง ม, มันมุ่นวายมันถ้าตามกระายมันเสือกกระสนกระเสือกกระสนหรือจิตที่ไม่พอใจในในในความในความสงบของตอนนั้นมันก็เป็นทุกข์อีกเห็นจิตเป็นสุขเห็นจิตสงบเห็นจิตเยีอกเย็นนั้นยินดีพอใจครับเรื่องจิตสบงบแบบนั้นมันก็อิ่มเต็มตื้อขึ้นมา ความเต็มตื้อนั้นเป็นของหายาเงินหมื่นเงินแสนที่ไปซื้อออกก็ไม่ได้แล้วตปขายคนอื่นตั้งล้านก็นไม่ได้ตั้งลร้อยล้านก็นไม่ได้เน้นของเฉพาะส่วนตัวเจ้าไหนกันอีกคนสุดท้าเช่นนั้น <c oughs> แล้วเทน่นี้การฝึกหัดใจใครเป็นคนฝึกหัดใครเป็นคนฝึกหัดใจของแปลกเหมือนกันนะั้นเหตุให้คิดให้พิจารณาให้ให้ถี่ถวนจึงจะเข้าใจฝึกหัดใจ แล้ว ใ, ใครเป็นคนฝึกหัดแล้วใครเป็นคนได้รับความสุขแล้วใคร ja. เป็นคนได mm ้รับความทุกข์ถ้าไม่ฝึกหัดใจก็ใจนั่รับทุกข์ถ้าฝึกหัดใจก็ใจนั่นแหลเป็นนั่นรับความสุขแล้วใครเป mm ็นคนฝึก hmm. หัดใจที grading. ่กลางเอาสติฝึกหัดใจ สติควบคุบใจให้อยู่สติคือความรู้ตัวระลึกสติคือความระลึกได้ชาวปัญญาอยู่ด้วยกันคือความรู้ตัวการฝึงหัดใจคือรู้เท่าของเรื่องเรื่องเรื่องของใจคือรู้เท่าของเรื่องของจิตมันคิดมันนึกให้รู้ตัวเข้ามา ผู้คิดผู้นึกเน่ยเป็นตัวจิตสติตัวนั้นตามรู้รู้จิตเมื่อรู้ตัวจิตมาแล้วมันจะหยุดความคิดความนึกความปรุงความแต่งจะหยุดจะมารวมปิดใจจะรวมเนที่เดียวมันยากขั้นถ้าไม่เห็นเนี่ยตนเองมันยาก ถึงเห็นไม่เห็นก็เอาเถอะขอให้เอาสติแต่นั่นแหละควบคุมจิตให้รู้เท่ารู้เรื่องของมันยึดตลอดเวลนะนานนนะคราวนั้นหากจะรู้เองมันอมกันหากจะรวมเองมันออกจะไปคิดว่าจะให้รวมหรือไม่รวมก็ อ, อย่าไปคิดจะไปตามรู้เรื่องของจิตแล้วก็พอ เ <c oughs> มื่อตามรู้เรื่องของจิตมันหยุดเองมันไม่รวมครอเป็นใจมันไม่ได้อยู่ในที่เดียว <c oughs> จิตเป็นของมีตนมีตัวเมื่อควบคุมได้แล้วมีตัวกลายเป็นของมีตัว ใจเห็นจิตได้จิตเห็นจิตได้ใจเห็นใจได้ค่ะมันเข้ามันอยู่ในที่เดียวแล้วมันเป็นอันเดียวอันหนึ่งอันเดียวก็แล้วมันเป็นใจนั่นแหะใจเห็นใจอะควั่ะจิตควบคุมจิตรู้เท่ารู้เรื่องของจิตคิดนึกปรุงแต่งอะไ ร, ะไรต่างๆมันเรียกว่าจิตเห็นจิต ที่จะได้รับความสุขความสบายในเมื่อมันรวงหอเป็นใจมันอยู่ในที่เดียวละนั่ น, นแหละได้รับความสุขอะไรสุขอันนั้นเป็นของแปลกสุขไม่มีไม่มีส่วมีตัวสุขแปลกจากโลกของเขาสุขสุขในาทางธรรมถ้าหากว่าแล้วฝ่าฝืน ทามันก็เป็นโลกทามาแล้วนี่ยกลายเป็นทุกข์ไปอย่างอธิบายให้ฟังท้าเมื่อไรความสุขแล้วไม่มีอะไรทั้งหมดความเดือร้อนวนวายไม่มีอะไรหมดมอยากให้มันเดือดร้อนวนวายมันกลายเป็นทุกข์เพราะมันติดทุกข์มานาน หลงทุกข์มานานหลงทุกข์เป็นสุขมานานในความสุขปรากฏกค น, นิดนีด้เนี่ยหน่อยก็เลยเข้าใจเอาเป็นทุกข์ทำเพราะนานเลย